มันมือก็มาทุกวันนี่มันก็เป็นมาเองก็เป็นปัจจัยเปนค่าพัฒนาหานทรงไฟก็ทํามันเป็นเองทั้งนั้นมันก็เหลือเฟือทํมามะจะทําไงออกมาทําั่นออกมาทํานั่นนั่นพูด ม, มาอยู่ใหม่ไม่รู้ก็เห็นว่าเป็นอย่างนี้มาดั้งเดิมก็เลยมันไม่รู้ทางที่จะเดินย้อนถึงต้องเตือนให้ทราบเสมอ การเจริญของธรรมต้องเป็นความบังคับเจ้ของบางเป็นอัยิยาตแห่งจ้ขององื่นคนอื่นสอนไม่สั่งไม่ถูกสอนไม่ถูกเป็นตัวเองว่าแนะอุบายวิธีการไม่ทราบสาหรับผู้มุ่งต่อธรรมได้ทรางพันรู้วิธีปฏิบัติอีกตอนเป็นธาตุกำลังแข็งแรงนี่หต้องเลยนะมาธาตุใครก็เถอะถ้าลงมีกิเลสเป็นเครื่องคอย เสริมไนั้นแล้วมันต้องเป็นพิษด้วยกันนั่นแหละการปฏิบัติไม่เข้าไม่เข้าใจเรื่องธาตุเจ้วของจะปฏิบัติเพื่อความสงบทางน้านจิตใจได้อย่างไรเนี่ยสำคัญถ้าผมขึ้นมาเนี่ยอาจาร ม, มันแข็งแรงอะไรเข้าไปเสริมนิดนึงรู้ทันทีทันทีมันต้องเน้นดัดเป็นรื่อยไปก่อนนะโว้โ มันไปงั้นทำโผล่ขึ้นไม่ได้อย่างฉนั้นเราเนี่ยมันลึก อ, อาหารสาวจะกินไหนจะกินไหนบางทีจนผมก็โอ้สงสารหมู่เพื่อนถึงจัดทำอะไรต่ออะไรจะทำางไงหดีนั่นก็หลีกไม่ได้อีกเลยผู้มาเจอข้องมันก็มีอยู่นี่จะว่างไงเนี่ยมนุษย์อาศัยกันกยิ่งเป็นพระ ก็เต็มปร้อาจิโดยธรรมคือความเมตตาเป็นสำคัญด้วยแล้วก็จะทำงานอีกเนี่ยมันคิดไปหมดไม่ใช่ไม่คิดนะเรื่องมองุกขคิดกห้จนเมื่อไม่มีทางปล่อยแล้วก็ปล่อยเหมือนเหมือนกับปล่อยคือก็อ เ, เห็นว่าเหมาะสมอย่างนี้นะทนเอาว่างทำางดีอื่นเราก็เห็นอยู่แล้วเราเป็นนักเที่ยวเขานอกออกในกจนแหลกไม่ว่าวัดลาดวัดหลวงวัดในวัดนอก วัดกรุงเทพนอกกรุงแล้มันเข้าทั้งหมดเทศฟังเทตฟังหมดจนไม่ังเทตสมเด็จสมเด็จไหนก็ฟังฟังจนหมด <c oughs> นี่การมาบวกลบคูณหารเลือกเฟ้ น, นอะไรมันเป็นเหมือนกับสิ่งที่เราจะเลือกหาออกความจริงจากสิ่งนั้นสิ่งนั้นที่เลยผ่านมาง่ ง, งยง่ายสมมติเข้ามาแล้ว อยู่น้องผือก็พระก็มากมันก็เหมาะกับพอมาฐานอาหารไม่ได้มากนะเข้มขีดแต่ท่านเหล่านั้นก็ไม่มได้เป็นอารมณ์กับสิ่งเหล่านี้นี่ไม่มีใครไปเป็นอารมณ์กับอาหารนอกจากธรรมนีมีอะไรกินไปแลยวไปเลยแล้วไปเลยแล้วพอยังชีวิตไปไปแล้วเลยอันนี้หมายถึงว่าอยู่ที่ส่วนรวมนะไปองค์เดียวอยู่ก็เป็นอีกอย่างนั้นพลิกไปเรื่อยๆแล้วเพั้นมันไม่ทัน คือวาหาไม่มีมันไม่เคยคิดเพราะเราไปหาอย่างนั้นนี่ที่สมบูรณ์เราก็เราไม่ไปที่ได้สมบูรณ์คนนับถือมากก็สมบูรณ์บ้านใหญ่ก็สมบูรณ์อ่าคนที่ไหนคนนับถือมากมันสมบูรณ์แต่มันดุ่งเนี่ยเดี๋ยวไม่ร่ำเวลาเราไปหาธรรมล้วไม่ไปหากิตมันก็ต้องไปอย่างนั้นแถวจำเนยยียดพูดถึงว่าอย่างที่ท่านหงษ์ก็อยู่แถวนั้นถูกเขาจับขเขผมรู้หมด พอผมไปก็ถึงอย่าง น, น, นี้ปีหนึ่งไปทางนี้ปีนึ่งไปงนี้มันแหลกหมดเลยแถวนั้นพวกโสมพวกไข่ในป่าไปหมนะจากตรงนั้นตรงนี้รู้หมดเพราบ้านแถวนั้นไม่มีบ้านใดที่ผมไม่ได้เข่าบนเขานั่นเข้าหมดปีหนึ่งไม่เข่าปีหนึ่งเข่าเหมือนกันมันจุกท่านก็เลยหมดสัาา้นแวะค้ามปะกูอย่งหลง ม, มันก็กาะก็แกว่ไปทา้งหน้าลัดแจงนา่ ง, น, งน้องหมู น้องหมาจะได้แถวมดดัดเนี่ยถ้ามันสบายเนี่ยพราะมันนาเพราแม่ครูอาจารย์เป็นหลังอยู่นี้นานแล้วพอเราโอกาสเราก็ออกเที่ยวเที่ยวกับเที่ยวอย่างนั้นเนี่ยน้องตางนันเขาสบายมีคนจะมาเกี่ยวข้องเราวันหนึ่งวั น, นทั้งวันไม่มีใครมาเกี่ยวข้องอลยยิ่งสบาย จ, มจอมหยอกออกมารันน้อย่างมากเขาก็ตามมาคนหนึ่ง สบาทั้งวันม่ยังถ้าเราไม่ชันล้วก็ยิ่งไปใหญ่แลทั้งวันไม่มีไม่เจอใครเจอแต่เราคนเดียวนี่นการสอดแสดงหาธรรมมันำลําบากอยูแต่เราไม่ถือเรื่องเหล่านี้เป็นมาเป็นอุปสรรคเลยไม่เห็นมันลําบากตรงไหนก็มีแต่ท่าจะเอาท่าเดียวนั่นนะ่ะมันเหนืออยู่นะ่นแต่ท่าจะเอาท่าเดียว อันนี้จะเป็นพลังสําคัญสิ่งเ ห, หล่านั้นมาเป็นอุปการะไม่ได้บางอย่างก็คุศลาคนเดียวก็มีเออทุกข์กับเขาตายในป่าในเขาอยู่ทําไไรไม่มีพระเขาก็นิมนต์พระเป็นกุศลาก็เราเป็นคนเดียวกุศลากุศลาแล้วเขาก็นิมนต์ไปสวดมนต์เขาก็ไม่รู้เรื่องจะทําไง เราก็ต้องดูสภาพของคนก็รวมทางเขาไปส่วนมนุ์คนเดียวมาตรวจเนีู่้ย่าพูเกนูนะส่วนมนุย์คนเดียว ว, ย ว, ยว่ติ้บกข่อมเม่นไิดเจียวุจามข่บวนึ่ใจแล้วติ้นมีไข่ขาวเนี่ยอไรตัว่ <seja> ารกปกตินิวหมายผมาข้าปุยอะก็ได้เลยม่น่อยติ้นทอดป้าเจ้า อ, อ, อ, อู้ยาง ข, องของ่อยเราเกิดมาจากบุรเกิ่เรกมพี่วะตินีไข่ขาวเนี่ยแล้ก็ไปจ่อยเจ้าดูจาอย่าง สุดเดียวจะบุกใหได้เจ้าจับไว้ขำมันเองไอ้วกตีกุศลธรรมมากเเรียมอโยกเเรียมส่วนมกับส่วนไเขาธรรมดาบจินเขาได้เลอนีเมยกับเมย์เว่ามย์กาลังเวลานั้นมันบุคือคมเมย์เผิดกดกุศลธรรมาคนเดียวกับกูเอาอะไรถ้ายก็เอาไปวัดบ้านเสียเนี่ยท่านั้นเนี่ย ม, มีอะไรแต่วายเป็นผาเป็นอะไรเป็นเงินเป็นทองเอ้าไปถวายบ้านฉันนะทัานั้นเนี่ยไม่สนใจเลยเอไม่หาเอาอะไรมั น, ม, นมันต้องอาศัยกันบังคับนะไม่บังคับนม่ไก็บังคับก็บังคับยิเด็ดนั่นแหละต่อสู้ี่เลนนั่นแหละวิธีการ ลำบากลำบุญทุกอย่างมีแต่วิธีการต่อสู้กิเลสทั้งนั้น เ, ออกกเมื่อเ ม, มื่อกิเลสมันหมดไปแล้วการต่อมันเบาลงไปการต่อสู้มันกับมันก็ทราบไม่เตัวเลยกิเลสมันหมดไปเอาอะไรมาต่อสู้กันเนี่ไม่เห็นมีอะไรต้องต่อสู้ออมันก็เรื่องกิเลสทั้งมวลเนี่ยทำให้เราทุกเรา ล, ลําบากทั้งหมดนี้เรื่องกิเลสมีอะไรเหนียวแน่นมันคนงกว่ากิ ใครจะไปรู้มนันได้นอกจากพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวคือ ย, ยกว่าเลิศจริงๆไอ้สิ่งเหล่านี้แท่งอยู่ในจัดทุกตัวตัตในใจโลกธาตุเนี่ยไม่มีที่ัตว์ตัวใดที่มันมีกิเลสเข้าแฝงไม่มีใครทราบได้ว่ามันเป็นไผ่ย่งไรไงนี่ที่พระพุทธเจ้าพระแต่ละพระองค์เท่านั้นเป็นพระองค์แรกแล้วบอกวิธีการแก้ไขบอกวิธีนั้นทิธีนั้นแก้งั้น จะไม่อาจรจันยังไงไม่เห็นอะไรเป็นสักีพยานบ้างมันก็หาความอาทรจันไม่ได้อย่างว่ามันบอดได้ทั้งหมดสีแสงไปยังไง ร, รูปนั้นไปยงไงสีนี้ไปยังไงว่าก็ว่าไปงั้ น, นะผลตาบอดไม่เห็นไงจิตใจมมันบอดจริงๆก็ไม่เห็นมีอะไรอาจรจั์มันก็จะมากว้านเขามาสู่ความมืดบอดเหมือนตนหมดเนี่ย ที่มาใหม่นั้นเป็นไงฟังเทศบาลนี้เข้าใจหรือเปล่าฮะที่มาจากเสด็จนาทิคมอ่ะเข้าใจเหรือฮะผมใครมาผมก็ไม่อยากยุ่งอ่ะทุกวันนี้อยู่ตามสบายสบายแต่ผมจะพูดผมก็ลงมาพูดเองฮะวันนั้นเนี่ยจะไปยุ่งโง่ง ม, มากเหมือนแต่ก่อนไม่ได้แล้วแม้แต่ก่อนผมก็มายุ่งอยู่แล้วเป็นนิสัยแล้วนั้น อยู่ไหนอยู่คนเดียวมันมีความจำเป็นไม่เข้าไปยุ่งอยู่ไหนก็เหมือนกันเรามันสบา ย, ยได้อยู่คนเดียวแต่สําคัญที่กับสัตว์นี้่แปลกอยู่นะมันเล่นกับสัตว์เหมือนกันเป็นเพื่อนฝูงยิงนะแปลกอยู่นะเล่นด้วยความรักความสงสารเหมือนนะพาให้เล่นเลยนะไปแยกตรงนั้นเอไปแยกตรงนี้ไปคุยกับแย่เหมือนบ้าะนะอยู่นอไงวะมึงก็ไปดูศรีรษะเลย ต้เนกลัวาพระเนี่ยพูดถมันมันไม่รู้เรื่องนะล้วก็รู้อยู่ว่ามันไม่รู้เรื่องกับเราแต่เราถ้าพูดถึงมั น, นที่แสดงกีหยามานี้มันออกมาจากความเมตตาความเมตตาเป็นพื้นฐานในภายในแล้วกีหยาแสดงมานี้เป็นอาการของความเมตตาเดินไปไหนสงดด้วเ ย, ยอะยเยอะเต็มโอ้โหมีมากก็ลอกเต็มดงก็แตกะกับเต็มป่ากัป่าครับเต็มวัด อแย่กับเต็มลานวัด ก, กยูย่อยังให้สูกินก็เกราเรกอะไปนีว้วันนี้เข้าไปจะไปเข้าไปดาเดินดูให้ไปเดินไกป่าเาไมนี่แหละไอเสือทับอินนั่นแหละก็พูดตัวนั้นนา้ายนี่มันไม่สนใจกรานะเนี่ยไอตัวมเมียไม่กล้าออกมามเห็นเราตัวเมียมันหลีกเข้าไปแไอตัวพูดมันออกมาอยู่หัวจังกมนี่เลยเราเดินจังกรมาทางนั้นมันก็นมาเขี่ยแล้ยกุ๊กเรีกยเรกยเกมีามายมันอยู่ข้าง อุ๊ยมันยังไงกันแล้วเด้นหนีออกมาข้าวอยู่นัน่มันกินข้าวแล้ววานไว้ตามนั้นมันกินมันแล้วไม่กลัวจะกระทั่งคนนะเดี๋ยวนีว้เราก็อยู่อย่างนั้นมันก็อยู่งั้นเหียวเนียวมันคุ๊กกุ๊กกุกมาเราเลยเดินอยู่คนไม่ได้ออกมานี่มาพักหนึ่งออกมาพันึงว่าจะมาพูดถึงการประชุมเห็นคนปัญญาชนมากเลยถอยกลับไปก่อน แล้วกลับประมาณตอนเย็นๆต้งกลับประมาเป็นห่วงหมู่เพื่อนเหมือนกันจะไม่ห่วงในจะไม่ห่วงได้ไหนผมรับหมู่เพื่อนไวเพื่ออบรมสั่งสอนความเป็นผู้น้อยผมเคยเป็นมาแล้วรู้ทุกแง่ทุกมุมเต็นกํนลาลังจะผอมทําไมจะไม่รู้เรื่องของหมู่เพื่อนที่มาแล้วให้หนัก มือหน่อยนะใครไปดีให้มันเห็นฤทธิ์ของธรรมกับวิเดจต่อสู้กันให้มันเห็นได้่ประจักษ์เจ้าของอ่ะอินราชทาวิยะอย่างมันมาเองขให้เห็นเมื่อนั้ด้วยกระโดมดับดับอะไรอะไรมันก็มาเองหมดทาวิยะสติสมาธิปัญญาอะไรฉันทาวิยะยิ่งแต่ยิ่งังกมันๆมันเองแต่วิ่งบังศักดิ์นั่นมักจะมาช้าทําำไมฟื้นไม่ปลุกไม่ลุกนะ นั่นนั่นมาฉันเห็นความสง่างามอยู่พัยในหัวใจด้วยซิมันเป็นยังไงเอาเที่ยวกับโลกดูสิใจดวงนี้อ่ะว่างั้นเลยเอ้าวสมมุติว่าจะแข่งกันยังไงเอาเอะไรแข่งมจะเอาอะไรแข่งเนี่ยมันก็สมมติทั้งหมดอนั้นอันนี้มันคืออะไรจะเอาไปแข่งกับไข่นี่ยจะว่าอันั้นมันต่ำชาเดียวสามมันก็ไม่ว่าไม่ทํานี้ไม่เหยียดหยาดไม่ดูถูก จะานั้นมาเหยียบหัวใจมันก็ไม่เอามามันต่างอันต่างจริงอยู่เสียฟังได้หมดฟังได้หมดดูได้ทั้งนั้นฟังได้ทั้งนั้นมีอะไรจะคอยี่ตบได้ต่อยได้ตีกันไว้ัตัวพิษมันอยู่นัน่นลองนดูสิ <t ตกตีกันน้อยขนาดนั้นมันเอื้อมออกไปได้มองไม่ทั น, นครูบาอาจารย์ผู้เป็นหลักเป็นเกณ์ก็ร้อยรลลงไปร่อยรลอลงไปโดยลำดับนั่นเองนะที่ดูที่หลงวงปู่ขาท่านก็ทำงานกับใครใเดี๋ยวนี้เพียงรักษาธาตขา ท, ทังท่านก็ไม่พอจะแลกกำลังแต่พระเน่งก็ลุ้มอยู่อ่านั้นหมดไปหมดไป ทำไมเอากินก็จำไม่ได้นะเวลามาถึกสาโรงครูบาอาจารย์เอาให้กินให้ได้หลักเกณฑ์เวลาไปเป็นหัวหน้าลําบากนะถ้ายังไม่ได้เรื่องอะไรเป็นหัวหน้าก็เป็นหัวเหลวหนั่นแหละกูยังไงมันเหลวนะเป็นหัวหน้าความภากเพียนก็มีน้อยนี่ภาระก็มีมากเดี๋ยวเขามาเสดสันปั้นเดีย ว, วเป็นครูบาอาจารย์ป่าใหญ่ขนาดที่ควรจะเอาให้เต็มปากเต็มท้องเวลานี้ ถึงจะอยู่กับหมู่เพ่อมากอยู่กับวายจาันมันรวมคนนี้ออมันหลายคนมันก็ยังดีกว่าที่เราไปเป็นผู้ใหญ่ซึ่งไม่มีหลักมีเกณฑ์อะไรเลยลนล้วนี่เรื่องกับอยู่กับหัวหน้าทั้งหมดคณะน้าก็เป็นหัวหน้าเราเป็นควายปฏิบัติตามนั้นไม่ได้ใช้หัวขิดไม่ได้เป็นธนาของเราจนกระทั่งเกิดความหนักใจวุ่นวายขึ้นมา ภายนอกผมก็พยายามปัดเพื่อหมู่เพื่อนเสมอนอกจากมันจําเป็นจริงแล้วก็แบ่งให้เสียอนอย่างเขามาขอพระดีจําอาจำนวนมากๆวันพรุ่งนี้มาขอผ้าจากเรามากๆของเอาไปทำไมล่างหนาไปต้มปลาแกงอะไรผ้าไม่ใช่เป็นเนื้อเป็นตา ย, ยานาให้สอง อ, นบบนองนั่นแหะเนี่ยผมพูดแค่นั้นที่คุณร่วมเขตกัเหมือนกันนั่นก็จะเอาวาัดนี้ทั้งหมดเลยนะผมก็ไม่ให้ เอาอะไรทั้งหมดพาเต็มบ้านเต็มเมืองเหมือนั่นเขเอาตรงนั้นนี้มาลายวัดเต อ, อ, อร์บายวาสิ่งกับ้าสององค์ไวจะว่าจะเอาเราไปยัง ไ, ไงให้ที่นาซ ก, ก่อนมาดูแคตตาล็กตะลเอกนี่เป็นวันค้างด้วยนีแขกมีคนที่จะมามาเ่ยวข้องของเราวันนั้นไม่ได้เลยเชียงใหม่รับไปส่งให้เนี่ยถึงไม่ได้ไปเมื่อเช้านี้พาไปแกลงวันพุนี้องค์ไหนจะไปองค์อายุพัรษาเล็กน้อยไปก็ไม่เป็นไรละวันพกนี้ใครบ้างตรงโน้นน่ะ แทนหน่ผู้ที่จลดน้ำมันจะเป็นตายอยู่ก็เราไม่ได้ทาเพื่อเป็นหัวตามมาหึงหวงกินผลไมแล้วทำเพื่อความเมตตาให้ต่อสัตวเป็นไรไปผมก็พูดอันนี้มันก็เข้ากับพ่อแม่ครูอาจารย์ทีพูดท่านพูดถึงแตงมาพร้าวท่านัดกวาดแต่ไปถึงต้นมะพร้าว้ามะพร้าวนี่มันมีลูกยังไนเห็นไหมผมมีกระรอกมนั่งในวัดนั่นะ มะพร้าวมันไม่มีแล้ีปลูกมพร้ามันก็ได้ไปละใดมาดย่างนี้นะแต่ถ้าไม่ปลูกหรท่านพูจแล้วไม่ได้ปลูกเป็นหัวตายนะพระจะมามาปลูกเป็นหัวจิตตมะพร้าวที่ท่านห้ามมให้ปลูกไม่ให้จับกล้องหมือนไม่ให้ลดน้าหรืออะไรไรนั่นท่านตีข้อมือดวงตาสิรุตตหังหนวางมาบัดญันิห้ามมาแลวมาตีข้อมือดองตาสิรุตังแล้วทําะไรเพื่อโลกโลเลอะไรหน ผู้ไม่ก้าวอกมันได้ ก, กินต่อไปมันจะเอาอะไรมากินว่างั้นนหละผูกก็จะเป็นไร้ป้ายกันวางถ้าเราปลูกก็เป็นไร้พายสันวาแต่ท่างก็เป็นปลูกสันตุปุกนั้นแต่สมมติเราจะมีผู้ปลูกท่านก็คงไม่ห้ามถ้าปลูกไปพิจารณาอย่างนี้นะผมก็มาพิจารณาจับไม่หมดนะเรื่องของนี้อ่ะผูกแบบเพื่อซื้อเพื่อขายจำหน่ายแจกไปแบบลโล่งๆหนุนหัไม่ได้ทีพระวินัยอยู่ว่างปลาประบาด ปูก็ไปทำไมพลิกไปเท่านั้นแหะพระวินัยอยากกระทำคลิกาหาทำาล้วทำด้วยความเมตตามันไปเป็นพวามเมตตาแล้วไม่ได้ไ ป, ไปกังวลอะไรกับมันปูก็ดีทําไปงั้นแหละทําด้วยความเมตตานี่รู้สึกขึ้นเชียวจะอุ่นปีนี้น่าดูไปดูโอ๋อ ศาสตร์มันยิ่งมากเข้ามากเข้ามันจะกินอะไรคิดไปผมเลมต้องจะทาธนาคารกระแตขึ้นต่อยังไงสงสารนังที่พูดนั่นเล่นกับสัตเล่นกังกรมเล่นกับแย่กับอะไรมันก็ไปพ้ดเพื่อนอยู่ในทางกมน่ะแย่เลยไม่ทราบว่ากี่ตัวแต้มมีระดักมเล่นกับสัตเล่นกับกระแตมัินมันข้าวาน ่วไ้ที่นั่นเพ่นเวิ่งิงมาหัวจกรมบางทีก็วิ่งัทางคนมาไปแยกกันไปแบบหนึ่งไกลแบบหนึ่งโอ้สีธามาแล้เกิดไล่ไม้ก็จะเลี้ยงสุดได้ลวนี่พูดกับเขาเนี่ยพุ่มพิมพิอยู่คนเดียวเหมือนบ้านบางทีคนเขาไปเห็นไปได้ยินเขาก็จะาเต่างนี่เป็นบ้าเขจะอยู่คนเดียวก็พูดพุ่มพิมพิอยู่มันได้มนอะไรยู่บา หล่อะไระไล่กับแย่กับสัตว์ต่างๆพูกับแย่ต็มตีเราตัวใหญ่ๆมีเยอะนะนี่คือนกกดก็ไม่ออกมาทําลายได้เหยวก็ออกมาทำลายไม่ได้งูแล้วก็จับเนี่ยอันตรายสามตัวนี่สําคัญมากนะงูเหยื่อนกกดเป็นอันตราย ต่อสัตว์เหล่านี้มากเราก็ไล่เนี่ยวันนี้ก็ไล่นกกุดแต่กระเจิงเข้าในป่าสองตัวเราอยู่กุฏิก็มองเห็นมันวิ่งมันไล่แย่งเดี๋ยวมองดูทางเขาทางกรมผมไล่มาทางนี้อู้ตายว่ า, นางนักติดมันบินขึ้นมานั่นก็ใส่ก็ไผ่เปืีอ ย, ยงล้วปก็ไผ่ดิน แต่กระจายบินปืนป้นน้ำตามไล่ฝุดเข้าป่าเไม่มันออกมาเามันหายใจในป่านพรามานแย่หมดนะมันตเล็กเยอะมีสวนตอนตกดีเราเหนสงสารยไงยเย้ยยั่วเยยั่วไปที่ไหนมีแต่แย่เั็นี้ ตัวใหญ่นี่ยมัไม่กลัวคนอุ้ยอ้ายอุ้ยอ้ายเดินไปนี่ก็พูดคุยไปพุ่มพิมพิมพินไปก็ไปเจอสัตว์แถวนี้แหละตามทางเจอกระแตวิ่งผ่านหน้ามันเจอเยอะมันยิ่งมันป่วนเปี้ยนเปี้ยนอย่างนี้ทางางพูดกับไปตัวนี้แล้วก็ไปพูดกับตัวนั้นแล้วก็พูดตัวนั้นจนกระทั่งถึงกุฏิเต็มไปหมดพูดกับมันไปเรื่อยจนถึงกุฏิเขาจะวาบ้าแต่เรามันสนุกเลยละสนุกด้วยความเมตตา เคิื่นไปกับมันคุยไปกับมันไหมหลักใหญ่มันจิตนั่นอพินาทั้งเดิมตัวแหลมคมเนี่ยสา ม, มารถมันไปแทรกได้หมด ม, มันเชื่อขนาดนั้นนะมันไม่เชื่อขนาดนั้นไงมันอยู่ในหัวใจทั้งนั้นสิ่ ง, งนี้อจะไม่เชื่ออย่างไรมันมันจะไม่อยู่ในหัวใจสัตว์ได้ ชาติตัวตัวมาเกิดมีอะไรพลาดสาเหตุที่มันเกิดสาเหตุนั้นมนก็รู้อยู่ในหัวใจนี้แล้วนี่ยงันจะไม่เชื่อได้ยังไงก็เมื่อมันประจักษ์อยู่ในหัวใจนี้ไม่เชื่อเล ย, ยรประจักษ์หัวใจไหนหัวใจนั้นก็ต้องเชื่อจำถึงเพราะความจริงใจเป็นความจริงวนล้วนแน่ทำไมจะไม่เชื่อเต็มหัวใจวะทามันปลอมอยู่แค่อะไรกับนั่นแหละสิ่งที่ขัดแย้งความจริง